สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเรื่องระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สี่สิบหกพี่น้องครับพระเจ้นักของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่านตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าเพราะความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์พิชชาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลข้อ29ิบเก้าครับ เพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับกว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ําตายหมดเพราะความเชื่อเมื่อพวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยริโคไว้ถึงเจ็ดวันแล้วกําแพงเมืองก็พังลงเพราะความเชื่อราหับหญิงแต้สยาจึงไม่ได้พิชนาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดี พี่น้องครับ <c oughs> เมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดถึงโมเสสชื่อของโมเสสนั้นแปลว่าฉุดขึ้นมาจากน้ำและในท้ายข้อดี26นะครับโมเสสนั้นท่านมีความหวังซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วว่าความหวังนั้นนะครับหมายถึงดวงตาจับจ้องนะครับดวงตาจับจ้อง จับจ้องอยู่กับอะไรครับอยู่กับบําเหน็จที่จะได้รับอีกนัยะหนึ่งนะครับก็คือว่าสายตาของโมเสสนั้นจดจ่ออยู่ที่บําเหน็จและความมั่งคั่งที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้มากกว่าที่จะสนใจความมั่งคั่งที่มองเห็นได้ความมั่งคั่งที่มองเห็นได้นั้นก็คือความมั่งคั่งที่อยู่ต่อหน้าท่านในประเทศอียิปต์ครับ และท่านรู้ว่าความสำเริงสำราญในความบาปซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศอียิปต์นำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและจริงๆแล้วอาจจะมีความเพิดเพลินในความบาปอยู่ด้วยแต่มันก็อยู่เพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นโมเสสนั้นโดยความเชื่อมีวิจาณญาณที่จะรู้ว่าพระพรต่างๆที่พระเจ้าได้สงสัญญาไว้นั้นดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์โดยความเชื่อนั้น ท่า น, นจึงเลือกบำเน็จ ร, ระยะยาวของพระเจ้ามากกว่าที่จะเลือกความเปพ้พินในความบาประยะสัน้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นว่าโมเสสนั้นได้ทิ้งอภิสิทธิของตนในอียิปต์โดยความเชื่อเพราะท่านยอมอดทนครับอดทนอยู่เสมือนพระหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ปรากฏแก่ตาท่านสับซื่อ เพราะเหตุผลเดียวโดยความเชื่อท่านได้เห็นพระองค์ผู้ทรงไม่ประจักษ์แกตาอีกครั้งหนึงครับที่ใจของท่านจดจ่ออยู่ที่องค์พระบุญเจ้าตลอดพี่น้องจะสังเกตได้นะครับว่าก่อนที่โมเสสจะเห็นพระเจ้าบนภูเขาซีนายเราพบว่าโมเสสนั้นยังไม่ได้รู้กระจ ก, กับพระเจ้าเท่าที่ควรครับและเมื่อโมเสสขึ้นไปอยู่บนภูเขาซีนาย โมเสสจึงได้ถามพระเจ้าว่าพระนามของพระองค์คืออะไรอยองทำได้ใช่ไหมครับที่เบิร์นนบูชก็คือพุ่มไม้ที่ไม่ไฟนะครับโดยความเชื่อพวกอิสราเอลก็ได้ทำพิธีปัสกาครั้งแรกครับและโมเสสก็ถือพิธีนั้นโดยความเชื่อในกระผมเลือดที่พระเจ้าได้ส่งบัญชาไว้ท่านทำสิ่งที่ท่านทำเพราะ ท่าเชื่อคำตรัสของพระเจ้าและทัานเชื่อพระเจ้าทําให้บุทหัวปีของอิสราเอลได้รับการผ่านเว้นครับนั่นคือที่มาของเทศกาลปัสกาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้บทเรียนจากเพิ่มปีและชีวิตของโมเสสในเช้าวนันนี้พระคัมภีได้กล่าวต่อไปว่าโดยความเชื่อพวกอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ง เพราะว่าพวกเขานั้นเชื่อคำรัดของพระเจ้าพวกเขาจึงทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พวกเขาเดินหน้าลงสู่ทะเลแดงครับโดยรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นจากพวกอียิปต์ต่อมาพวกอียิปต์ก็ลองเดินดูบ้างครับปรากฏว่าก็จมน้ำตายหมดความจริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือประชากรของพระเจ้าในสมัยโบราณทาสิ่งที่พวกเขากระทาเพราะความเชื่อครับพี่น้อง เพราะความเชื่อในพระดำรับของพระเจ้าโดยใช้ความเชื่อล้วนๆครับพวกเขาวางใจในพระองค์พวกเขาไว้ใจสิ่งที่พระองค์ตรัสพวกเขาฝากชีวิตและอนาคตของเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาเชื่อคําตรัสของพระองค์คนแล้วคนเล่ามันประชดเหล่านี้เป็นตัวอย่างดี่ดีพี่น้องครับพวกเราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าในวันนี้ นะครับเราเชื่อคำตรัสของพระเจ้าเราวางใจพระองค์เราไว้ใจสิ่งที่พระองค์ตรัสเราฝากมอบชีวิตของเราและอนาคตของเราอยู่ในพระหัตของพระองค์หรือไม่แต่ถ้าเราบอกว่าเรามอบเรามอบมากขนาดไหนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามอบทั้งชีวิตมอบทั้งหัวใจมอบทั้งสิ้นที่พวกเรามีให้กับพระองค์ ไว้หวังใจพรงในการดาเนินชีวิตเชื่อฟังพระองค์ความเชื่อจึงปรากฏให้เห็นเป็นการกระทําในชีวิตของเราอาเมน